เองามาฟั ง, ง, ง, ง, ง, งใใใใ้ใสชีวิตลัตดาา้ดดีกันจ้ะลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน มาตั้งแต่ประมาณปลายสิงหาคมปีที่แล้วที่ลูกได้เขียนเคสมาครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าหลวงพ่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่สามทอมดีเกตุซึ่งลูกคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองและคนอื่นเช่นกันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนจะถ้าฟังและเอาไปคิด ไต่ตรอแล้วก็ไปทำแก้ไขนะจ๊ะตัวลูกปัจจุบันอายุ28ปีมีบุคลิกรกษณะคล้ายผู้ชายใน่แสดงว่าเธอตั้งภายนอกทำเป็นผู้หญิงสูง170กว่ารูปร่างหน้าตาตลอดจนผิวพรรณดีแต่ออกไปทางแมนแมนคือทําไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิง ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นผู้ชายแถมหลายคนบอกว่าลูกหล่อ ก, กว่าผู้ชายจริงๆซะอีกผู้ชายบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะหล่อ ก, กว่าผู้ชายจริงๆบางคนเท่า น, นั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยหล่อ ก, กว่าทุกวันนี้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำชายโดยไม่ขัดเคินไม่มีใครสงสัยผิดกับเวลาเข้าห้องน้ำหญิง จะมีแต่คนมองแต่ชักสงสัยว่ามันมันไม่เหมือนกันนหละหลายครั้งที่ลูกได้เย็นคอนซุบซิบกันหาว่าลูกคงจะเป็นกระเทยที่อยากใช้ห้องน้ำหญิงก็มีลูกนํ้เป็นลูกคนกลางมีพี่สาวและน้องชายอย่างละหนึ่งคนครอบครัวของลูกมีฐานะปานกลางคุณพ่อมีอาชีพรับราชการ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส่วนคุณแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเออตลับลูกจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นลูกชอบเล่นกับเด็กผู้ชายเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงยั ง, งงงๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกอยากเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความที่เป็นเด็ก พอมาตอนประมาณป2ออมีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก <Yeah. S 1> ก็ปล่อยมาเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าที่เราเป็นที่เราเป็นที่เรารู้สึกคืออะไรอาจเป็นเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นคนเป็นทอมดี้กันมากเท่าสมัยนี้ จนขึ้นมัธยมลูกย้ายไปอยู่กันนาและลุงก็ยังมีสมัยนี้ก็มีเยอะสงสัยขึ้นมาเยอะตอนนี้เริ่มมีคนมาชอบลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายทำให้ลูกลังเลตัวเองเหมือนกันอีะเอาไงดีแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในใจเพราะคิดว่า the impossible เป็นไปไม่ได้ ไม่กล้าถามใครและก็กลัวคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจถ้ารู้ว่าลู ก, กเริ่มจะไม่ปกติญาตพี่น้องทุกคนต่างเก็บความสงสัยและก็กลัวเพราะทุกอย่างยังคลุมคุมกเกลือยังไม่ชัดเจนช่วงที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะอิสระมากลูกจะค่อนข้างติดเพื่อน แล้วก็ทำกิจกรรมขาร ง, งเรียนทั้งเล่นกีฬาและเป็นรองประธานนักเรียนเรียกว่าฮอตมากๆเด่นดังมากๆมีแฟนคลับของตัวเองข <laughs> นาดนี้เลยนะ<อ>ช่วงนี้เองที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติจริงๆแต่ก็พยายามปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเราไม่ใช่พวกนั้นหรอกเพราะลูกเองไม่ชอบเห็นคนที่เป็นแบบนั้นเลย ไม่ชอบทั้งการแต่งกายพฤติกรรมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบตัวเองไม่ได้ห้าวกากันขนาดนั้นลูกไม่ชอบไ้ใครเรียกว่าทอมเลยจะโกรธมากมากและไม่ชอบไ้ใครนินทาที่เราเป็นแบบนี้ด้วยแต่ลูกก็ไม่ได้แอนตี้ผู้ชายหรือเกลียดอะไรแต่ว่าตอนมีคนมาจีบก็เพียงรู้สึกว่าไร้สาระพูดอะไรไม่รู้น้ำเน่าเฉย พอประมาณม .6 ลู ก, กเริ่มมีแฟนผู้หญิงคนแรกในชีวิตเราแอบคบกันจนเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องปิดทางบ้านไว้ที่บ้านก็สงสัยมากขึ้นเรื่อยๆถาม ต, งตรงๆลูกไม่ยอมรับคุณพ่อถึงขนาดจ้างจ้างนักสืบจ้างคนตาม จ้างให้ลูกแต่งตัวเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวจ้างลูกก็ไม่ยอมตอนหลังลูกไปเรียนรรอาหารที่ออสเตรเลีย <c oughs> ก็แอบไปด้วยกันอีกระหว่างที่คบกันก็ทะเลาะกันบ่อยมากถึงขั้นใช้พลังหมัดมวยลงไม้ลงมือกันก็นมีฉะนั้นลูกเป็นคนโมโหร้ายเพราะไหนจะเครียดเรื่องเรียนไหนจะเครียดเรื่องแฟน แล้วยังตั้งเครียดปิดทั้งบ้านอีกแต่ถึงอย่างไรก็คบกับแฟนคนนี้ได้เจ็ดปีกลับมาเมืองไทยก็เลิกคบกันเพราะลูกเจอคนใหม่ปัจจุบันแฟนคนแรกนี่มีแฟนเป็นผู้ชายไปแล้วพอเขากับแฟนคนที่สองลูกก็เริ่มเปิดตัวเองเพราะรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะโกหกที่บ้านหลายๆออเรื่องลูกเองก็อยากสบายใจ เลยพาแฟนเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เพราะท่านรู้ท่านสบายใจไหมไม่สบายใจลูกอยากสบายใจเลยพาท่านไปกราบคุณพ่อคุณแม่เพราะท่านรู้ท่านก็ไม่สบายใจถึงขนาดช็อ ก, อกเสียใจมากซึมแล้วก็ไม่ได้พูดกับลูกไปหลายวันคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะ น, นก็ลูกเป็นผู้หญิงแต่ลูกก็ มีพฤดกรรมแบบวิชาก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรพูดมัง้งเพราะพูดกันเลยร้องไห้ดีกว่าซึ่งคราวนี้คุณพ่อและของลูกเคยอธิษฐานว่าอธิษฐานดังๆให้ลูกฟังว่าถ้ามีลูกขอมีอยู่สองอย่างสาธุอย่าให้ลูกเป็นเลยหนึ่งอยาให้วิปริตผิดเพศเป็นกะเทยสองติดยาเสพติดดังนั้นการที่ลูกเป็นเช่นนี้คุณพ่อจึงอับอายมาก ท่านทาบุญอะไรท่านอธิษฐานสองอย่างนะภ oh. าษาทุกขอจให้ลูกเป็นกระเทย <Yeah. S 1> สองอยาให้ติดยาเสพติดเลยเ <Yeah. S 1> พราะความรักลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ขอร้องทุกอย่างให้ลูกเลิกเป็นจะเอาอะไรก็ยอมทั้งไปบนบานสารกล่าวลูกก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกโล่งออกเพราะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด <Yeah. S 1> แต่เขาผู้หญิงก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร พอเห็นท่านเริ่มปรองแต่ลูกก็รู้ว่าในใจท่านก็ยังรับไม่ได้ลูกก็เลยพาแฟนมาอยู่ด้วยที่บ้านแปลกดีรู้ว่าท่านรับไม่ได้แต่พามาเรียกว่าได้คืบก็เอาศอกทีเดียวทนที่ลูกจะรู้สึกสํานึกกลับทําตัวน้าอายและเลวร้ายที่สุดในชีวิตได้คืบเอาศอกอยังงี่มันน่าจะให้ศอ ก, กจริง ตัวนี้ลูกเดไปฝึกงานที่โรงแรมรมีคนมาชอบลูกเยอะมากๆอย่างที่ตัวลูกเองก็งงเหมือนกันว่าเออคนที่เป็นแบบนี้ชอบของแบบนี้มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอนืกก่กงเป็นเฉพาะลูกเองทำให้ไม่สนใจแฟนคนที่สองเลยจนทะเลาะกันบ่อยตั้งๆที่เขาก็ เ, เอาใจลูกทุกอย่างครูไม่ใหญ่ทึ่งหนึ่งเนี่ยภาพของแฟนทุกคนประกวนา ง, งามได้ทั้งนั้นเลย Mm hmm. oh. ถ้าก็แปลกดีเหมือนกัน ไ, ไม่ว่าจะคนที่หนึ่งคนที่สอง <Okay. S 1> ประกวดนางงามได้อย่างนั้นเลยล oh. ตอนนี้เองที่ลูกแอบไปเข้ากั บ, กบพี่อีกคนเพราะความท้าทายลูกบังคนได้ยินว่าพี่คนนี้เกลียดลูกเกลียดคนที่เป็นแบบนี้ลูกจึงอยากเอาชนะเลยกแกล้งไปจีบทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ชอบอะไรเขาหรอกจนแตนหลังเขาก็เลิกกับแฟนผู้ชาย ที่กำลังจะแต่งงานกันมาคบกับลูกแต่คบกันได้ไม่นานลูกก็ได้ลูกได้แล้วก็ทิ้งกาไปคนนี้คงเป็นแค่กิก๊กพักคบกับไมนานแล้วกุ๊กจะว่าอย่างไร <c oughs> ระหว่างนี้แฟนคนที่สอง <c oughs> ก็อยู่บ้านร้องไห้เสียใจทุกวันพอคุณแม่เตือนก็โกรธอีก <c oughs> โอ้โหท่านบอกว่าแค่ลูกเป็นแบบนี้ก็แย่พอแล้ว ยังเจ้าชู้คบทีหลายๆคนอีกลูกนอกจากจะไม่สนใจอะไรแล้วยังคิดว่าตัวเองนี่ช่างฮอตเหลือเกินทำให้พลอยทะเลาะ ก, กับคุณแม่บ่อยด้วยทะเลาะ ก, กับพระอล า, าในบ้านนี่บาปนะลูกนะอย่าไปเล่นกับไฟนะต่อมาลูกมาเจอผู้หญิงอีกคนที่โรงแรมซึ่งก็คือแฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายแล้ว เลิกกันเพื่อมาคบกับลูกลูกรักแฟนคนนี้มากในทสุกตัดสินใจเลิกคบกับแฟนคนที่สองและพาแฟนคนนี้มาอยู่ด้วยปัจจุบันลูกก็ยังคบกันอยู่ได้สี่ปีแล้วไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนักเพราะเขาใจเย็นและยังช่วยกันทำมาหากินกันซะอีกเป็นอย่างดีทีเดียวลูกรู้ว่าทั้งหมดทุกคนทรมานและเสียใจกับการกระทำของลูกมาก โดยเฉพาะกับแฟนคนที่สองลูกได้ยินว่าทุกวันนี้เขายังรักและรอลูกอยู่กับแฟนทุกๆคนเมื่อเลิกกันแล้วลูกก็ตามขอโอโหสิกรรมมาตลอดเพราะรู้ว่าบาปกรรมมีจริงทุกคนก็จะยอมยอกโทษให้จะมีก็พี่แต่เป็นกิ๊กที่ยังไม่ยอมยอกโทษให้เพราะเขาอับอายที่คนตั้งโรงแรมรู้เรื่องหลายครั้งที่ลูกพยายามหาสาเหตุ ว้าทำไมลูกจึงเป็นแบบนี้ทั้งนั้นที่ครอบครัวของลูกก็อบอุ่นคุณพ่อคุณแม่กรักและใส่ใจลูกลูกทุกคนครอบครัวอบอุ่นแต่ทำไมเป็นอย่างนี้บางคนบอกเป็นเพราะการเลี้ยงดูจึงเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่แล้วเห็นไหมไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงดูเราแสดงมันทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วจะมีก็แค่ครั้งหนึ่งตอนที่ลูกอายุดประมาณเก้าถึงสิบปีที่คุณพ่อ เริ่มนอกใจคุณแม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหามากตอนนี้เองที่คุณแม่เริ่มเข้าวัดและท่านก็เข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นวัดทางภาคไหนๆแล้วท่านก็สอนให้ลูกรู้จักสวดมนต์โดยเริ่มจากการว่า จ, จ้างและสอนให้ทำความดีตลอดทำให้ลูกๆมีธรรมะติดตัวอยู่ลึกๆ ต่อมาคุณแม่เดินมาเจอกระยมิตรชักชวนท่านมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดินก็คงจะผืนเนี้ยผืนใหญ่เนียแล้วก็ททำบุญทุกบุญต่อมาอเรื่อยเรแต่ตอนนั้นทางครอบครัวและคนรอบข้างยังแอนตี้ที่วัดอยู่ทำให้คุณแม่ไม่สามารถเข้ามาวัดอย่างเต็มตัวเท่าไรนักจนคุณแม่เริ่มเขา้าเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็เคี่ยวเข็นลูกๆตามไปด้วยแรกๆทุกคนก็ไม่ชอบแต่ก็ขัดไม่ได้จนกระทั่งลูกมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดลูกยอมรับว่าพอกลับลงมาก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเหมือนที่ใครๆชอบพูดว่าวัพระรรมกาชชอบล้างสมองคนไม่เฉพาะสมองนะล้างทั้งกะโหลกเลยแหละออกเสพองออกล้างหมด ลูกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะลูกเปลี่ยนไปพี่สาวลูกก็แปลกใจมากและเมื่อเขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดก็เริ่มเข้าใจวัดมากขึ้นน้องชางลูกดูภายนอกก็เป็นคนดีน่ารักแต่เรียนที่ไหนก็ไม่จบสักที่ทั้งดื่มเหล้าติดพนันบอลเพื่อนและผู้หญิงทางบ้านกลุ่มใจมาก จนต้องส่งไปเมืองนอกก็เรียนไม่จบเอาเงินที่คุณแม่ให้ไปนะ่ไปเข้าคาสิโนจนวีซ่าไม่ผ่านนะครกับมาเรียนที่เมืองไทยอีกจงกระทั่งน้องชายได้บวชธรรมทายาทรุ่นติดสายที่สองหลังศึกไปใหม่น้องลูกดูเปลี่ยนไปทางที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มกลับเข้ารูปเดิมอีกแต่เฉพาะเรื่องผู้หญิงในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปงว่า คงทำเวรทำกรรมกันมาทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกฟังธรรมะของหลวงพ่อก็หูตาสว่างอยากหลุดพ้นเบื่อหน่ายโลกที่มีแต่ปัญหาถึงแม้จะเป็นไปได้ยากที่เข้าถึงพระธรรมกายและดุสิตบุรีแต่โลกก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะถ้าพยายามแล้วก็ก็ต้องสําเร็จนะลูกนะเพราะนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามและทาให้มันถูกหลักวิชา เดี๋ยวทําได้ถ้าได้ทำเท่านั้นแหละคําถามโลกมีวิบากกรรมอะไรจรึงต้องมาเกิดเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายแล้วกรรมาบาบงหรืออย่างคะชาดาจะเกิดเป็นชายจริงหรือหญิงแท้คะบม่ดาผู้หญิงทั้งหลายที่ลูกเล่ามาทั้งแฟนคนที่หนึ่งและแฟนคนที่สองตางก็สวยแบบผู้หญิงดีๆและมีแฟนเป็นผู้ชายทุกคนไม่ได้มีท่าทางวิปริตผิดเพศแต่ทําไมทําไมจึงได้มาครบกับลูก เราตามีกรรมอะไรร่วมกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหรือเปล่าคะแล้วเขาเหล่านั้นจะตามลูกไปในพบชาติต่ตอไปอีกหรือเปล่าคะสําหรับพี่ที่โรงแรมที่เขาไม่ยอมมโหสิกรรมให้ลูกจะมีผลต่อลูกและเขาอย่างไรบ้างคะลูกกบแฟค น, นที่สามมีกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยกันทํามาหากินและสร้างบา ร, รมีร่วมกัน ลูกคนดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจึงจะดีลูกกับพ่อแม่มีกรรมอะไรจึงได้เกิดมาร่วมกันการที่ลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ต่างเสียใจและอับอายที่ลูกเป็นเช่นนี้จะเป็นผลกรรมติดตามลูกไปไหมคะแต่การที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ยังเป็นคนดีลูกผิดหรือเปล่าแล่ลูกจะได้ไปดูสิทธิบุรีกับเขาไหมคะตอนนี้ก็ไปดูสิทธธานีก่อน คุณแม่ลูกไม่จะชอบถูกคนอื่นหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะทากรรมอะไรกับคนเหล่านั้นมาและจะเจออีกไหมคะคุณแม่เคยนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่สังหารอะไรกับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วชอบขนลุกเวลาพูดถึงบุญกติ ค, คิดว่าเทวดามาอนุโมท <laughs> เป็นเรื่องจริงไหมคะ ก็มีอย่างนี้หลายหลายคนเมื่อกีน้นะที่คิดอย่างนั้นลังชางลูกสร้างบาปกรรมมากมายในชาตินี้ทั้งต่อตนเองและพ่อแม่เขาจะตกนรกไหมคะทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามช่วยเขาอยู่เราจะทําอย่างไรจึงจะสําเร็จคะมันก็ต้องรเริ่มตน้นเท้าก่อนนั่นแหละแล้วขราบคุรโร้างมา ร, รมีมากับหมูคนะ่คณะอย่างไรทําไมพระอาจารย์และจน้าที่ที่วัดทุกค น, ท, กคนทั้งได้มีความเมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นอย่างดี โอ้โแฟนเธอทุกคนนี่ประกวดนางงามได้หมดเลยนี่ชื่อเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างเธอก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเธอมีอัยาศัยอย่างนี้เรามาฟังฝันนี่ฝันกันจ้าลูกมีความรู้สึกครึ่งหญิงครึ่งชายเพราะการแนดี a ต, ต้องฟังให้ดีนะลูกนะถ้าฟังอยู่นะ หลายๆชาติีผ่านมาลูกนะ่มีความเจ้าชู้ต่อเ น, นื่องทั้งตอนเป็นหญิงและตอนเป็นชายหลายๆชาติตามมาส่งผลมารวมกันเลยนะแต่ตอนเป็นชายเนะี่ยมีนิสัยเจ้าชู้มากกว่ามากกว่าตอนที่เป็นผู้หญิงอการเจ้าชู้เหล่านี้มารวมส่งผลในชาตินี้ ในชาติที่ผ่านมาคือชาติที่แล้วเนี่ยลูกเนะี่ยได้เกิดเป็นผู้ชายได้เคยมาสร้างบารมีกัหมูคนะ่คณะเมื่อพุทธันดอนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชไม่น่าเป็นอย่างนี้เนาะส่นมากก็จะเป็นชายจริงหญิงแท้เอ๊ะผิดหรือเปล่าเนี่เพี้ยนมึงเลิกไปฟังวันอื่น เป็นฝ่ายส่งกำลังบำรุงและมีนิสัยเจ้าชู้มากเคยออกบวชตามพระราชาแต่ช่วงสั้นเพราะไม่อาจทนความคิดถึงสาวๆได้จึงลาออกจากจีวรมหาบังอ่อนโด้การลาศิกขาไปครองเรือนแต่ในระหว่างบวชก็แต่งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างดีทีเดียวบุญบวชช่วงสั้นหลายชาติ บุดช่วงสั้นเงียมาหลายชาติไม่มีอารมณ์บวชยาวพราะตนคิดถึงไม่ไห ว, วก็คิดถึงพระราตนตรยัยไหนบางออนได้บุญบวชช่วงสั้นหลายชาติได้ตามมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายแต่ก็ส่งผลให้มาเป็นดังที่รูปเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ละจ้ะกรรมงลูกยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่คือเป็นธอม แต่ถ้าลูกตั้งใจจะพ้นจากกรรมนี้จริงๆลูกก็ต้องตัดใจหักดิบในชาตินี้และสร้างบริวีอย่างกลั่นกล่าในทุกบุญจนหมดอายุไขอีกทั้งต้องเบือ่อนายในสิ่งที่ลูกเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยจ้ต้องไม่อยากเป็นจริงๆถึงจะได้แฟนผู้หญิงคนที่หนึ่งและสองและคนที่สองที่ผ่านมาที่เป็นปกติตมามครบรูกเพราะ คมอธิษฐานในอดีตของลูกตอนเป็นผู้ชายทำบนคราใดมักจะอธิษฐานให้สาวๆมาหลงรักหลงไหลเป็นคมอธิษฐานที่เจือไปด้วยความกำหนัดยิ่งดีและชอบอธิษฐานอย่างนี้ซ้ำๆเรื่อยๆ่วนคนที่มาคบก็ไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรเป็นแต่เขาก็มีกรรมเจ้าชู้ ค, คล้ายๆลูกติดมาแต่กรรมเบาบางลงแล้วจ้ะ ถ้าเกิดการผูกเวร ก, ก, กันกับลูกสาวเแล้วนั้นก็มีสิทธิติดตามไปในภพ บ, บึ่งหน้าคันนี้นก็จะผลัดกันแหละสำหรับพี่ที่โรงแรมที่แม่โหสิกรรมให้ลูกก็จะผูกเวรกันไปเป็นศัตรูจะไม่ชอบหน้ากัข น, ขานข้านชาบไปเลยจ้ะลูกตองพยายามไปขอเอโหสิกรรมกับเขาให้ได้จะโดวยวิธีอะไรก็แล้วแต่และ ลูกกับแฟนเขาที่สามที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันและสร้างบารมีร่วมกันเพราะน่ดีตอนที่ลูกเป็นทหารของพระราชาเขาเป็นหนึ่งในแฟนสาวของลูกในหลายๆคนแต่เคยมีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบ้างดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขและสบายใจกว่าคนอื่นจ้ะจะจะแก้ไขให้ลูกตัดสินใจอย่างเด็ดขาด โด้เลิอกอยู่ร่วมกันแบบแฟนแตอ่อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรแล้วทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังก็มีสิทธิ์กลับไปโดยสิทธิบุรีว่องบุญวิเศษ้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าไม่เลิกใช้ชีวิตอย่างนี้แบบนี้ก็จะต้องไปอยู่ได้อย่างมากกว่าแค่จตุมหาไรากา<อ>ไม่อาจาไปสูงกว่านี้ได้แม้ทาบุญมากเพียงใด เพราะชั้นอื่นก็ไม่มีอย่างนี้แต่ชั้นหนึ่งชั้นจะตมมาเลยจิ๊กมีพวกครึ่งครึ่งขอนอย่างเนี้ยเยอะจิเดโอ้โอยหนักจากคนทันครุดผีสางนังไม้ภูมิมะเทวาครื่งเครื่งเงี้ยเยอะเลยนี่เรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้อีกน ะ, ะเพราะนั้นจะปิดจานเราทําเปิดรู้ก่อน ดูไปเรื่อยๆแล้วก็บอกกันแต่ต่อไปให้ไปติดายานเราทำซะเดี๋ยวจะมีเนี่ยพวกคืนๆของขอนเนี่ยสร้างบุญไว้เยอะนะแต่บุญไม่ได้ช่องเพราะว่าความคิดหรือการกระทำนั้นไปอุดช่องบุญก็ไม่ได้ช่องบ่รูไไ้จะเข้าช่องไหนนี่แหละจ้าเพราน้นต้องศึกษาไว้นะลูกมาเกิดกับพ่อแม่ปัจจุบันเพราะทาบุญร่วมกันมาในอดีต ถ้าลูกไม่เลิกนิสัยอย่างนี้ลูกก็จะไม่ได้เจอแม่ที่มีนิสัยประเสริฐอย่างนี้อีกในภพชาติต่อไปแม่ที่ประเสริฐอย่างนี้หายากนะลูกนะเพราะท่านชวนลูกเข้าวัดสร้างบา ร, รมีจ้ะคุณแม่ของลูกมักเจอคนหลอกเอาเงินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะปัจจุบันท่านเป็นคนใจอ่อนใจดี แล้วก็มีเชื้อในอดีตแบบนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มากไม่หนักหนาะอะไรกระเชื้อที่ทํำมาไว้อย่างนี้เหมือนเหมือนแคลนแต่นิดหน่งดังนั้นชาตินี้ท่านตรวจสอบดูแลเรื่อ ง, งเงินและงานให้ดีพระอาชีพรับหมาก่อสร้างมักจะเจอคนประเภทเสือสิงกระทิงแรดจ้าคุณแม่เป็นคนใจบุญและมากด้วยศรัทธาหลายครั้งทำให้บุญในตัวเตือนท่าน ัำไม่เกิดลางสังหรณ์บางอย่างที่ถูกต้องจ้ะน้องชายนะ่พื้นฐานเขาก็เป็นเด็กดีนะแต่ขาดดวงบัญญาณในการครบเพื่อนจึงทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ให้พยายามเป็นกริยามิตรให้เขาตอบไปโดยใจที่เยือกเย็นอดทนมีเหตุมีผลและหาเพื่อนดีๆให้เขาคบจ้ะแล้วก็ลูกก็จะต้องเป็นตัวอย่างดีๆ ให้น้องดูลูกและครอบครัวได้สร้างบารมีกมู่คณะมาแบบกองสเสบียงบางท่านในครอบครัวกระทาตามอารมณ์บางท่านกระเต็มที่แต่ก็ติดตามสร้างบารมีกมู่คณะมาหลายชาติจึงทำให้มีเชื้อสายทำให้พระอาจารย์เจตถิวัตทุกคนคุ้นเคยและก็เกื้อกูลกันจะไม่น้าเลย มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่าไม่น่าไม่น่าเรามาดูภาพกันหน่อยจ้าเรื่องความรู้สึกเครึ่งหญิงข้อนชายก็กราะกนิดดีหลายๆชาติที่ผ่านมามีความเจ้าชู้ต่อเ น, นื่องทั้งตาเป็นหญิงและเป็นชายตามมาส่งผลแต่ตาเป็นชายมีนิสัยเจ้าชู้มากกว่าคำเจ้าชู้เหล่านี้มารวมส่งผลในชาตินี้ ในชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้ชายแต่เคยมาสร้างบา ร, รมีกัหมูคนะ่คณะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นฝ่ายส่งกําลังบำรุงมินิสัยเจ้าชูมาเคยออกบวชตามพระราชาแต่ช่วงสั้นเพราะไม่อาจทนความคิดถึง ส, สาวจริงลาศิกขาไปครองเรือนแต่ในระหว่างบวชก็แต่งใจบาเพ็ญสมณธรรมเต็มที่ บุญบวชช่วงสั้นหลายชาติตามมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายแต่ทรงผลให้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ละจ้ากรรมลูงกยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่คือเป็นธอมแต่ถ้าลูกตั้งใจจะพ้นจากกรรมนี้จริงๆลูน่กจะต้องตัดใจหักดิบในชาตินี้แล้วก็ต้องสร้างบา ร, รมีอย่างกลั่นกล้านในทุกบุญจนหมดอายุขไขต้องเบื่อนายในสิ่งที่ลลกเป็นอย่างในปัจจุบันนี้ อย่างแท้จริงจ้ะแฟนผู้หญิงคนที่หนึ่งและคนที่สองที่ผ่านมาที่เป็นปกติแต่มาคบกับลูกเพราะคาอธิษฐานนอดีของลูกตอนเป็นผู้ชายทำบุญมาได้มักอธิษฐานให้สาวสาวมาหลงรักหลงไหลเป็นการอธิษฐานที่เจอด้วยความกหนัดยินดีส่วนผู้หญิงคนนี้มาคบไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เขามีกรรมจะชูคลายลูกติดมา แต่กรรมเบาบางลงแล้วถ้าเกิดมีการผูกเวร ก, กันกับลูกสาวสาวเหล่านี้มีสิทธิติดตามไปในภพเ บ, บึ้งน้าจ้ะสําหรับพี่ที่โรงแรมไม่อโหาสิกรรมให้ลูกจะทําให้ผูกเวรกันไปเป็นศัตรูที่ไม่ชอบหน้ากันข้ามชาติลูกต้องพยายามไปขออาโหาสิกรรมกับเขาให้ได้ลูกกับแฟนคนที่สามต้องมาใช้ชีวิตและสร้างบา ร, รมีร่วมกัน ร้ะในอดีตตาลูกเป็นทหารพระราชาเขาเป็นหนึ่งในแฟนสาวของลูกเคยมีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบ้างดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันจึงมีความสุขและสบายใจกว่าคนอื่นถ้าจะแก้ไขให้ลูกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยเลิอกอยู่กันแบบแฟนจะ้อยู่ร่วมกันแบบกัลญาาณมิตรแล้วทาบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ก็มีสิทธิ์ กลับไปดูเศรษฐบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันทั้งคู่จ้าแต่ถ้าไม่เลิกใช้ชีวิตอย่างนี้จะไปดีได้อย่างมากก็แค่เจตุมหาราชิกาไม่อาจไปสูงกว่านี้ได้แม้ทําบุญมากเพียงใดเพราะชั้นอื่นเขาไม่ไม่มีอย่างนี้แต่เจตุมหาราชิกามีพวกครึ่งค้ออย่างนี้เยอะเราจะนึกภาพไปออกเลยครุฑที่ครึ่งค้ออย่างเนี้เป็นอย่างไร นากยักคนทันคนทันยังพอพอนึกได้บ้างลูกมเกิดกับพ่อแม่ปัจจุบันเพราะทำบุญร่วมกันมาในอดีตถ้าลูกไปเรียนนิสัยอย่างนี้ลูกจะไม่ได้เจอแม่ที่มีนิสัยประเสริฐอย่างนี้อีกแม่ติประเสริฐอย่างนี้หายยากเพราะท่านชวนลูกเข้าวัดสร้างบรารมี ผมมะเทวาเมเกันคือบุญก็ไม่่อยได้ทำแถมทำกรรมอย่างนี้อีกเนี่ยเศษกรรมเนี่ยโอ้ปแปลกๆดี <c oughs> คุณแม่งลูกมักเจอคนหลอกเอาเงินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะปัจจุบันท่านเป็นคนใจอ่อนใจดีและมีเชื้อแน่ดีแบบนี้อยู่บ้างแต่ไม่หนักหนาอะไรดังนั้นชาตินี้ให้ท่านตรวจสอบดูแลเรื่องเองเินและงานให้ดี เพราะอาชีพรับเหมาก่อสร้างมักจะใจคนประเภทเสื้อสิงกระทิงแกรดยาคุณแม่เป็นคนใจบุญและมากด้วยศรัทธาหลายครั้งทำให้บุญในตัวเตือนท่านทำให้เกิดลางสังหรณ์บางอย่างที่ถูกต้องพื้นฐานน้องชายเป็นเด็กดีแต่ขาดดวงวัญญาณในการคอบพื้นจึงทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ให้พยายามเป็นการยานมิศให้เขาต่อไปโดยใจที่เยือกเย็นอดทนมีเหตุมีผล และหาเพื่อนดีๆให้เขาคบโลกและครอบครัวสร้างบรมีกมูขนณะมาแบบกองสเสบียงบางท่านก็ทาตามอารมณ์บางท่านก็ตนกเต็มที่แต่ก็ติดตามสร้างบรมีกมูขนะมาหลายชาติทำให้มีเชื้อสายทำให้พระอาจารย์เจ้าที่วัดทุกคนคุ้นเคยและเกื้อกูลกันเจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคส่สตีสั้นๆเลยจ้ะ